พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห8ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าได้เต่าเสียหมาวันนี้เป็นวันอุโบสถ หลงอุโบสถจบโลงสักครูนี้วันนี้เป็นวันที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน10อีก15วันก็เป็นวันประวรารณาออกพรรษาของพวกเราก็ขอให้พวกเราพระใหม่ ที่ไม่ได้ผ่านพัรษาปีที่แล้วก็ให้ท่องคำประวารณาอย่างที่พระเก่าเป็นตัวอย่างเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับพระเก่าก็ให้ทบทวนเรื่องกรถินหรือ ว, ว่าดู ด, ดูช่วยๆกันดูสถานที่พักพาใส พอจะเก็บสิ่งไหนได้ก็นเริ่มเริ่มแต่ก็ไม่หนักใจคือทาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะถึงวันแล้วก็เรายังค่อยมาจัดมา ท, ทําทีเดียวก็จะเป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรเพราะว่าวัดของเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ละปีคนที่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่า อยู่ในละแวกนี้เท่านั้นมาจากจาตุรทิศในเมื่อเข้ามาแล้วก็พวกเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าของที่เราจะต้องได้รับต้อนรับขับสู้ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งฝ่ายฆรวยาวาสญาติโยมด้วยนี่แหละงานของเราคงจะหนักพอสมควรนี่ก็คืองานกระถิน แต่ผมเองในส่วนลึกแล้วเราก็ไม่ได้ถือว่างานนี้เป็นงานหัวจิตหัวใจของเราจริงๆเป็นแต่เมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องผ่านไปเป็นประเพณีของแต่ละวัดแต่ละช่วงแต่ละปีถ้าไม่มีกระถินเสยลยคนก็จะถามแล้วถามอีกแต่เมื่อ กรถินผ่านไปแล้วก็คือจบไปแต่ละปี น, นี้ของเราก็เช่นเดียวกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสําสคัญอะไรมาก น, นี้เป็นสังฆกรรมสําหรับพระสงฆ์ในเรื่องจตุปัจจัยคือปัจจัย4ที่พวกเราจะส ะ, สะแสวง เราก็ไม่เคยที่จะทำเป็นซองกระถงซองกระถินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวตามมีตามเกิดที่ผ่า น, านมาก็ให้มันจบจบไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นผมเองผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้ในเรื่องกระถินเนี่ยแต่ถึงยังไง เราเป็นเจ้าของบ้านอย่างที่ผมได้กล่าวเราก็จะต้องดต้องได้รับต้อนรับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องจัดสถานที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องให้ช่วยกันดูปีนี้คงจะรับกะถินข้างนอกศาลาศาลานอกแต่การรับกะถินผมก็ได้ถามหมูพวกเพื่อนที่วัดป่าบ้านตาดว่า องหลงตาท่านรับอย่างไรกระถินถ้าเป็นศาลาสองสองหลังท่านรับข้างในหรือว่าท่านจะรับข้างนอกผมได้รับทราบข่าวมาว่าจะเป็นอุปโลกหรือสวดยติก็ทำขท้างนอกตอนเช้าทำเสร็จหมดทุกอย่างแต่เวลาการกระถินมาการที่ศาลามาศาลาข้างในการที่วิสุงคามสีมา คือการนี่ยแหละอยู่ในพิษุขามซึ่มมาแต่ส่วนอุปโภคหรือว่าส่วนจติตนั้นอยู่ข้างนอกอันนี้วัดเราก็ปีนี้ก็คงจะทําอย่างที่องค์หลวงตาพาดําเนินองค์ตาพาทำพวกเราคงจะรับกรถิ่นข้างนอกกระถินก็เป็นกรถินสามัคคีปีนี้นะแต่ว่างานของเราข้างนอกก็ผมมองๆดูแล้วก็คิดว่า น่าจะเสร็ จ, จรับก็ะถินได้แต่จะให้เสร็จบริบูรณ์มั้นไหมคงจะไม่นะแต่ที่ยังไงก็ตามนะสิ่งของที่จะสั่งเข้ามานั้นให้ผมบอกไว้เลยว่าอย่าพึ่งนะก่อนที่จะสั่งของอะไรที่มาทำงานยาวต่อไปภายภาคหน้าต้องตองบอกผมก่อนจะเป็นเหล็กเป็นปูนเป็นอะไรก็ตามถ้าผมสั่งค่อยทำ เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีพิเศษเมื่องานกถินเสร็จนี้พวกเราคงจะได้หยุดนะผมคงจะให้หยุดงานการก่อสร้างไว้ช่วนะระดับถึงก่อนเพราะพวกเราคงจะได้ไปนูนะ่นงานศพของหลวงปู่เราจะให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าพองานหลวงปู่จาก ม, มหาปุญโจเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมพวกเราคงจะไปช่วยช่วยกันจัดการทางนู้นที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็คงจะจัดแต่ของเราในพักไว้ก่อนได้ขนาดนี้กัเพียงพอแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ให้สั่งของอะไรที่มันจะเสียหายอย่าสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาทําให้จบถึงวันที่27 ที่กระถินจบนี่แหละก็เป็ว่าจบกันอย่าไปสั่งของอะไรเข้ามาเผื่อเหลือเผื่อขาดจะทําให้เสียหายได้ง่ายบางที่จะทำให้ปูนแข็งอะปูนแข็งบ้างเหล็กเก็บได้ยากบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จะทําอะไรก็ทำซะจากนี้ไปถึงวันนู้นเพราะว่างานถือว่างานหลวงปู่ของเรางานหลวงปู่จามของเราถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัดเราเราจะไปห่างเหินไม่ได้จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับงานของหลวงตาขนาดนั่นแหล ะ, ะแล้วก็งานของหลวงปู่แต่ก่อนเขคิดว่าเป็นวันที่สิบปวันที่สิปดมกราห้าเจ็ดคือหลวงปู่ท่านมรณภาพวันที่19แล้วกับงานวันที่สิป ครบหนึ่งปีพอดีแต่นี้ล่นลงมาอีกนะที่พระ อ, องค์จะได้เสด็จเป็นวันที่หวันที่ห้ามกราห้าเจ็ดเวลา17เสุนทร น, นอคนนั้นล่นลงมาหลายวันเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกครานขององค์หลวงปู่เราก็ต้องนะไปช่วยกันสิ่งไหนที่จะช่วยมาลุมมาตุ่ม เพื่อให้งานสําเร็จรุล่วงไปก็คงจะยกจะยกทั้งทีมวัดของเราคงจะให้อยู่วัดเพราะนั้นเรื่องการก่อสร้างที่ยังค้างๆอยู่ก็พักไว้ก่อนเราไม่ได้ถือว่างานตัวนี้จำเป็นจําเป็นสําคัญอะไรมากพระได้ขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะเราจะไปทําทั้งปีทั้งชาติบางของยังไงยังไงเรื่องงานนะงดงดไว้ก่อนเราคงจะไปช่วยทางนู้น อันนี้คือบอกไว้ล่วงหน้าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดในวางแผนเอาไว้นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาแล้วขอให้พวกเราทุกทุกท่านแต่ปีนี้ผมก็เองก็เห็นอกเข็นใจหมู่พวกเพื่อนเพราะว่าการดำเนินการแลว้วกัการก่อสร้าง ถึงจะไม่เกี่ยวข้องอยู่ในวัดของเราแต่อยู่นอกวัดอยู่ตรงข้ามวัดของเราแต่ยังไงพวกเราก็ต้องได้เป็นหูเป็นตาเป็นต้องเป็นช่วยกันวางแผนงานดูแลจะปล่อยให้เขา ท, ทําทีเดียวก็ยังไงแต่มันก็เป็นภาระไม่ใช่น้อยเหมือนกันเป็นภาระสาหรับหนูพวกเพื่อนที่จะตั้งอกตั้งใจภาวนาปีนี้ ก็ผมว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่ผมไม่เคยที่จะทำงานตลอดพรรษาไม่เคยที่จะทำแต่ปีนี้มันรู้สึกว่าก็ได้ทำงานแต่ไม่ให้พระส่วนพระหมูพกเพื่อนก็ช่วยช่วยกันดูแต่งานที่จะทำจริงๆหนักหนาจริงๆก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็ได้ว่าดจ้างช่างเขาทำ เราก็เป็นผู้ดูแลสิ่งของดูของอันไหนที่ขาดตกบกพร่องดูความเรียบร้อยของงานก็เป็นภาระไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่สำหรับผมกับผมก็น่ะตอนเย็นๆก็ย่องๆไปดูเพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อยนี่ก็หนักพอสมควรเข็น อ, อกเข็นใจแต่ผมมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปี ที่จะมีการประชุมในระหว่างอย่างน้อยก็เกือบจะทุกปีมีการประชุมในระหว่าง8ค่ำสิบห้าค่าแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่าเกือบจะว่าหยุดไปเลยไม่มีการประชุมเพราะเหตุไรเพราะว่างานตัวนี้อะสำหรับหมู่พกเพื่อนเวลามานั่งบางองค์ที่เขาไปดูควบคุมงานแมาก็คงจะง่วงในการไปดูงาน ดูๆแล้วก็เอาเถอะปีนี้แต่ทั้งยังไงก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทพระใหม่ทั้งพระใหม่พระเก่าทุกองนั่นแหละพวกเราจะไปคิดว่าเวลาทำการทำงานแล้วย ม, มทูตมรณะภัยเขายกเว้นให้มงคงไม่เป็นอย่างนั้นมรณะภัย ตติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทําการไม่หลอกมาหยุดงานเวลาหยุดงานเวลาทํางานเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าจะชะล่าใจในการภาวนาในพิธีหาทางพ้นทุก์ในวัฏฏะสงสารก็พยายามทําให้สม่ําเสมอไว้ดีที่สุดให้คิดไว้อยู่เสมอว่ามรณะเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ ถ้าคนระลึกถึงความตายไว้ตลอดเวลาคนนั้นถึงยังไงจะทำงานอย่างไรก็จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพอมันหยุดงานมันก็ต้องวิ่งเข้ามาหาหลักมาหาหลั ก, กจิตภาวนาพอออกทำงานก็นโผล่ออกไปเพื่อทำงานในเมื่อหยุดทำงานแล้วก็เข้ามาหาจิตภาวนาจะทำยังไงสมาธิยังไง ปัญญาอย่างไรตลอดถึงการไปดูแลงานวันนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงในการดูแลงานอารมณ์ของเราศูนเฉียวโมโหโกธาหรือเกิดรักรโลภโกรดหลงอย่างไรในวันนี้เราจะได้ดูอารมณ์ของเราอีกเหมือนกันถ้าผู้มีปัญญาท่าว่าผู้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็กิเลสเกินกินทั้งดุล ตูดไปกินทั้งวี่ทั้งวันกลับมาแล้วก็ยังเป็นควันปุ่งฟงอยู่ตลอดเข้าทำนองที่ว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนเป็นควันก็คืออะไรคุ้นคิดจะวางแผนยังไงจะทำยังไงคิดจากทางโลกแต่พอกลางวันเข้ามาออกไปทำการทางานใช้ความคิดออกไปทางรุ่นโดยที่ว่า ไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเผลอในด้านประพฤติธปฏธิบัติธรรมธรรมในจิตใจของเราห่างเหินเหินห่างเหินทางจากธรรมะห่างเหินจากข้อวัดปฏิบัติสมาธิธรรมปัญญาธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านถึงยังไงยังไงอย่าห่างเหินจากสมาธิธรรม ปัญญาพิจารณาเรื่องของตัวเองแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่เพ่งทางนอกจัดทางนอกให้สมบูรณ์แต่ทางนอกดิบดีแต่ทางนอกบริบูรณ์แต่ทางนอกแต่ทางในของเราเขาดตกบวกพร่องอันนั้นไม่เป็นผลดีเลยเสียหายอย่างมากเหมือนกับเราไปสร้างหีบสร้างลง หีบศพประดับตกแต่งแกะลงแกะลายแกะสลุอย่างดีแล้วก็ลงลักปิดทองอย่างดีแต่ข้างในมันเป็นผีเน่าอยู่ข้างในหีโปรงนั้นนี่ให้พวกเราสำนึกไว้อยู่เสมอนี่ก็เหมือนกันแต่เราไปเพ่งแต่ทางนอกสวยงามแต่ทางนอกหรูหราโอ้อาแต่ทางนอกแต่ใจของเราขาด สมาธิทมขาดปัญญาความรอบคอบขาดการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาการขาดการพิจารณากายการรู้เท่าทันของใจอันนั้นไปว่าเราขาดเหมือนกับเราประดับตกแต่งภายนอกให้รูราโอ้อาสวยงามแต่ทำในจิตใจของเราห่างเหินไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานะเราเป็นกรรมฐานนะ ให้รู้เท่ารู้ทันรู้รอบขอบชิดอยู่ตลอดมันละนังเมข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละเพราะนั้นข้าจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะข้านะอันนี้ก็ควรจะเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอถ้าพวกเราเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมออย่างนี้พวกเราถึงจะทำยังไงก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคึงเขาไปใช้งานก็ใช้งาน พอหยุดงานแล้วก็มันกับวิ่งเข้ามาหาอัอนิจางทุกขังอนัตตาที่วิ่งเข้ามาหาธรรมสมาธิทำยังไงเดินยงกลมยังไงนั่งสมาธิยังไงภาวนายังไงเห็นอันิจางทุกขังอนัตตาอย่างไรเห็นกายเห็นใจอย่างไรร่างกายนเนี่ยถึงจะอยู่ยังไงกเ็เถอะไม่มีวันที่จะหนุ่มสาวไปข้างหน้ามีแต่เฒ่าแก่ชราไปเรื่อย ผลที่สุดกันะถึงจุดจบของชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ต้องถามหรอกเมื่อเราพิจารณารู้เท่ารู้ทันแล้วเราจะนึกขึ้นมาแล้วก็รู้ได้เองลนะ่ะอย่าหลงอย่าลืมตัวนะตัวเองนะใจนะนี่แหละถ้าเมื่อไม่หลงไม่ลืมตัวเองรู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดถึงจะอยู่ณนะสถานที่ใดเราก็มีธรรมะอยู่ในจิตในใจร่มเย็นเป็นสุข ไม่ใช่ว่าพอเราให้ทำการงานออกไปทางการงานแล้วก็ทะเลทหลัยถือว่างานเป็นเครื่องอยู่พ้นที่สุดคนน่อย่างที่พ่อแม่ครูบายจานเจ้าองค์หลวงตาที่ท่านเคยพูดท่านไซสับว่าสร้างสลาก็ดีโบสถ์ก็ดีเจดีข้อดีสร้างหรูหราโออาเมื่อสร้างเสร็จแล้วคนนั้พระตายจากศีลจากธรรม ตายจากคุณงามความดีตายจากศีลสมาธิปัญญามีตะ ก, กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจผลที่สุดก็ตายจากเพศสมณะลาศสิขาไปท่านบอกว่านี่แหละเมื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกของพระเหล่านี้ก็นั่นะ่ะเข้าไปอยู่ในฐานฐานโบสถ์ฐานวิหารฐาน สิ่งก่อสร้างใหญ่โตโหดฐานเหล่านั้นแหละนั่นแหละสิ่งเหล่านี้คือสับที่หลวงตาเคยพูดไว้เราให้นำมาคิดนำมาพิจารณาดูก็แล้วกันทางว่าพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจมุ่งหวังเพ่งแต่ไปแต่ทางนอกอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นั น, นจางทุกขังอนาตาไม่ได้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไม่รู้เท่ารู้ทันในการเป็นอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริง เพราะเหตุลไยเพราะว่าการเกี่ยวข้องเรื่องการก่อสร้างอย่างวัดเราผมยังพิถีพิถันอย่างมากไม่ให้พวก ผ, ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องให้ออกไปดูแต่พระผู้มีอายุพรรษาแล้วก็ให้ช่วยๆกันดูถ้าหากว่าเราทําการทํางานมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทําการทํางานรวมกลุ่ม เป็นพิษภัยอย่า ง, างแรงตามแนวแถวของพ่อแม่ครูปอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นผมเองเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากถ้าหากว่าการก่อสร้างได้วัตถุจริงอยู่แต่ว่าเสียพระอย่างที่มันเคยผ่านมานะั่นได้เต่าเสียหมาเออมันไม่คุ้มค่ากันเลยเพราะนั้นผมต้องระมัดระวังอย่างมากพระของผมผมห่วงสงวนห่วงแหนที่สุดอ่า ถ้าว่าเรื่องใดก็ตามถ้ามันจะเสียพระและผมจะไม่ให้เกี่ยวข้องถึงจะได้อะไรมาก็ตามสู้ได้พระไม่ได้ถ้าพระนี่ได้องค์หนึ่งภาวนาตั้งอกตั้งใจภาวนาองค์หนึ่งรู้สินรู้ธรรมรู้อัดรู้ธรรมจิตใจได้รับความสงบเ ย, งเยืยเอกเย็นมั่นคงในพระพุทธศาสนาถึงจะได้สลาหรูหร า, ราโออาขนาดไหนก็เถอะ สู่ได้พระองค์เดียวไม่ได้นี่แหละในความคิดของผมผมคิดอย่างนั้นเพราะนั้นผมจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านวัตถุจนเกินไปแต่ก็ต้องต้องมอีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผมก็ให้ทำแต่ก็ถ้ามีจตุปัจจัยเอาให้ทำให้สร้างไปแต่สำหรับพระนะี่คือให้เป็นหัวหน้าให้การให้รู้จักการวางแผนให้รู้จักการดำเนินงานเท่านั้นเอง แต่การที่จะทําสิ่งไหนนั้นก็ให้ช่วยๆกันบางทีก็เออเอาให้พระลงไปช่วยกันทําบ้างเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อท่านทั้งหลายเป็นพระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าก็จะได้วางแผนถูกไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่เป็นเลยเขาคิดอะไรก็คิดไม่เป็นเลยทําอะไรไม่เป็นเลยก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าสื่อบือ้อผลที่สู่เขาก่อนน มาต้มมาตุนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเล ย, เยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราต้องอย่างน้อยก็ให้รู้เท่าว่าการดําเนินงานของเราเป็นยังไงการวางแผนงานเป็นยังไงตลอดทึงค่าใช้จงใช้จ่ายยังไงเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนที่มาอยู่กับผมยรอบรู้รอบคอบในการบริหารจัดการหรือว่าแบบ ที่เขาใช้ฉากความบุรณาการนะให้ดูให้กว้างขวางให้รอบครอบแต่อย่าไปเสียตัวเองทําในจิตใจของเราเนะถึงยังไงเขากุนงามความดีของเราในจิตใจนะั้นให้พวกเรารักษาเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มอย่างนั้นแหละรักษากุนงามความดีรักษาศีลสมาธิปัญญาในตัวของเรานะีให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มข้นตนเอง ไปจกนสถานที่ใดเกลือก็ต้องรักษาความเค็มของตนเองนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพระเห็นพระกรรมฐานอีกต่างหากเรารักษาใจไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการรักษาใจของตนเองถ้าปล่อยปลาละเลยใจของเราเสียเสอย่างเดียวเท่านั้นทุกข์อย่างอื่นถึงจะได้มาหลู่มหลาโอ้อาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะใจมันหลุดหล่นมันเสียไปแล้วใจเน่าแล้วใจกิเลสครอบงําแล้ว ใจกิเลสครอบครองไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกถูกท่านนะที่ผมพูดทางนี้ทังนั้นให้กันกรองไตรตรองสรุปแล้วคือผมต้องการพระให้มีศีลมีธรรมให้อยู่ในหลักพระธรรมพินยัยให้พระเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาอันนั้นเป็นที่พอใจของผมอย่างมากถึงด้านวัตถุถึงจะได้มากก็เป็นเครื่องประดับหรือเป็นของแถมทนเอง แต่ทางว่าพระของเราได้เสียหายไปแล้วนะถึงจะได้ของหรูหราโออามาก็เหมือนที่ผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับได้หีบได้โรงได้โรงศพอย่างนั้นอะ่ะแต่ข้างในพระของเราเน่ยเหมือนกับผีเน่าเหมือนกับซากศพของผีอยู่ข้างในโลงอย่างนั้นอะ่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันได้หีบโรงตัวเองก็เสียหายหมดแล้วครับเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่านนะพวกเราทุกท่านที่ จะเป็นนักพจนักบวชผู้ที่จะตำรงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ฟังเอาไว้นะต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก